อนาปติวนันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ123่งพิภิกษุณีผู้เป็นไข้สองภิกษุณีเป็นไข้ออกปากขอมาหายแล้วฉันสาภิกษุณีฉันในยใสที่เหลือเด่นของภิกษุณีผู้เป็นไข้4ีภิกษุณีฉันในไใสของญาติ5้ภิกษุณีฉันในไใสของคนที่ปรณนาไวา้6กภิกษุณีออกปากขอเพื่อผู้อื่น เจ็ดภิกษุณีจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนแปดภิกษุณีวิกลจริตเก้าภิกษุณีต้นบัญญัติปาทิเทสนิยสิขาบทที่หนึ่งจบ